ก็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายแต่ลงปโปติยานได้แวะมาพูดเรื่องการได้รูปการศึกษาจึงมากระทบต่อพระพุทธศาสนาที่คนขันแรงโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือในมาัจราที่สิบเจ็ดังกล่าไว้ตั้งๆที่ว่าพระราดการษาแห่งชาติเนี่ย เมื่อมองในตอนต้นก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเพราะว่ามันถ่ายทอดมาจากรัฐมนูลมาจากที่81ที่พูดถึงความรู้คู่คุณธรรมแล้วก็ประพือโหมคำว่าเก่งดีมีความสุขแล้วก็ฟังในฐานะที่เป็นพระเกียนว่าถ้าจัดการศาึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างนั้นก็ดี แล้วก็นำเอาพระราชบัญญัติการศาแห่งชาติมาอ่านดูโดยเฉพาะก็พอใจในมาตราที่หกเกิดทึคิดว่าถ้าบรรลุเป้าเนี่ยมาตราที่หกเป็นข้อเดียวมันก็ไปได้แล้วเขาบอกว่ามาตราห ก, กการจัดกาตรศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมหรืวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขคือแม้จะมีลักษณะเป็นภาษาลิเกยอยู่ไม่ใช่น้อยนะฮะ แ, แสดงเยนว่าเราไม่เข้าใจกระบวนการของธรรมะที่เขานิยมพูดเรื่องบุรณาการกันวันเวลาต้องการอะไรก็เขียนไว้ทั้งหมดเลย คือบางอย่างมันไม่ต้องบอกก็ได้เจ น, นเราบอกให้คนแกงส้มเนี่ยไม่ต้องบอกขเขาหรอกมันก็ออกมาไปแกงส้มเองแลาวในการสอนธรรมะเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเอาอย่างไงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมอันนั้นเป็นเป้าหมายทีนี้คนที่มีสติปัญญาความรู้และคุณธรรมนั้นเนี่ย ไม่ต้องไปพูดว่ามีจริยธรรมรละว่าธรรมในการบ่รงชีวิตเพราะถ้าเขามีแล้วเนี่ยเขาก็ดํารงชีวิตตามสติปัญญาความรู้และคุณธรรมเขานั่นเองแต่สติปัญญาความรู้คุณธรรมนั้นมันก็ออกมาเป็นจริยธรรมเป็นวัฒธรรมในการบ่รงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ยังมีความสุขมันก็ต้องบอกเมื่อทุกคนปฏิบัติอย่างนั้นมันก็อยู่ร่วม ก, กันยังมีความสุขแต่หม้ยว่าจริงๆตัวเหตุเนี่ยมันไม่ได้มากมายขนาดนั้น เราจะเอาอะไรเราจะสติปัญญาเอาความรู้แล้วก็คุณธรรมสติปัญญาก็คือคุณธรรมตัวความรู้ก็คือคุณธรรมหรือว่าสมบูรณ์ในร่างกายและจิตใจเนี่ยมันเป็นผลรวมของคุณธรรมที่ทางศาสนาเรียกสรุปว่าวิชาจารณสัมปนโนคือสมบูรณ์วิชาและจารนะแต่อย่งไรก็ตามนะฮะเป็นภาษาทิเกตไปยังไงก็ตามเราก็ถือว่า ฟังได้ก็น่าชื่นชมเพราะว่าการศึกษาของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าในยุคใดสมัยใดแล้วมนุษย์จะมีต้องมีความเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้กับความประพฤติเพราะในตัวความรู้นั่นเองมันไปสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความสามารถที่หลากหลายออกไปดูแลแต่สืบเนื่องไปจากความรู้ทั้งนั้น ทีนี้ถ้าหากว่าเขามีความรู้มากแต่ว่าเขาไม่มีคุณธรรมเนี่ยความรู้มันมีความเป็นกลางๆนะครคือใช้เป็นทางดีก็ได้ใช้เป็นถังชั่วก็ได้มันเหมือนระเบิดปรมาณูเหมือนพลังงานปรมาณูเนี่ยใช้ล้างปราบมนุษยชาติก็ได้ใช้สร้าสงสาร์พัฒนาก็ได้ปัญหาสําคัญว่าใครเป็นคนจ่า เพราะในจิตของผู้ใช้ในเรื่องตัวนี้มีความสําคัญโครงสร้างสงงร้าทางสังคงงงงมเรามันก็มีเห็นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเช่นว่าในกรณีของทหารของตํำรวจของแพทย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของบุคคลอื่นแล้วก็พกพาศสตราวุธทั้งยาทั้งมีดทั้งอะไรเครื่องใช้ของแพทย์เนี่ยฆ่าคนได้ทั้งนั้นนะ แล้วอาวุธคนตะหมวกก็ฆ่าคนได้ทั้งนั้นของทหารจริงแล้วใหญ่เลยฆ่าคนได้ทั้งนั้นเพราะคนเหล่านี้จึงต้องมีการฝึกปรือระเบี ย, ยบินัยจัรญาบัญอย่างพิเศษจึงจะส า, นะสามารถเป็นแพทย์ที่ดีเป็นทหารที่ดีแล้วเป็นตารวจที่ดีได้พระเองเป็นชีวิตพรหมจันทร์เราตั้งอยู่ในฐานะเป็นปู้ชนียบุคคลของสังคม แม้แต่บวชปั๊มายัางไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอะไรนะสังคมก็ยอมรับนับถือในสถานภาพของความเป็นพระเพื่อกำหนดให้มีระเบียบวินัยไว้เป็นหลักการในการประพฤติปฏิบัตินี้สูงซึ่งมันก็เป็นระดับโอโุดมการณ์เอาก็จริงการก้าวไปบนเส้นทางระดับนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ไง่ายๆแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องพยายามทําให้ได้ให้ดีแล้วก็ให้เป็น เพิมพูนขึ้นไปโดยลําดับก็มีการรณรงค์พูดกันแพร่หลายเรื่องความรู้คู่คุณธรรมเรื่องเก่งดีมีความสุขเราก็ยินได้ฟังอยู่นานนะฮะบางคราวอาตมาเองไปเวลาเขาประชุมสัมนาอะไรกันเราก็ไม่มีโอกาสเข้าไปร่วมเราก็อยากรู้ก็ส่งคนไปซื้อเทปคัดเซ็ตเนี่ยมานั่งฟังฟังกระบวนการความคิดเขา ก็ที่จริงก็ชื่นชมะนะครับอนแรกก็ชื่นชมแต่พอมาถึงปฏิรูปการาศาสนาศิละปะวัฒนธรรมปัญหาใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนโน้นว่ากรอบความคิดมาจากการไปรูปการศึกษาซึ่งแน่นอนการศึกษานั้นจะต้องไปรูปให้ร่วมสมัยตลอดระยะเวลาเลยได้เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันแล้วก็ตั้งเป้าหมายไปสู่อนาคต เพื่อเตรียมตัวเพื่ออนาคตคนที่อยู่ในวัยศึกษานั้นมันอยู่จะมีบทบาทในสังคมในอนาคตไม่ใช่มีบทบาทในสังคมปัจจุบันเพราะต้องเตรียมให้เธออยู่ไว้ไดในอนาคตอนาคตเป็นอะมากเป็นเรื่องประมาณการ เ, าเอาแต่อาศัยข้อมูลจากอดีตและปัจจุบันเนี่ยไปศึกษาประมาณการในด้านต่างๆนะะแน่นอนจะได้ร้อยปรเมันไม่ได้หรอกเพราะจึงต้องเป็นการศึกษาที่ตลอดชีวิต แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่นี่ธรรมะเนี่ยเราจะเห็นว่าศาสนาศาสนาเนี่ยศาสนามันจะมีองค์ประกอบหลักอยู่สี่ประการคือศาสนาเนี่ยเราก็ปฏิรูปไม่ได้ศาสนาธรรมเนี่ยเราปฏิรูปไม่ได้ศาสนิลเนี่ยว่ากันตามความเป็นจริงในตัวเขาเนี่ยถ้าเราจะปฏิรูปเขาเราไปรูปด้วยการจัดการ ฝึกคบรวมการพัฒนาให้ดําเนินไปตามหลักของาศาสนาธรรมาศาสนาสถานพอไหวนะเราจรูปรปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมแก่ความจําเป็นที่บังเกิดขึ้นในสังคมคือทํำยังไงว่ า, าศาสนสถานให้สามารถเราจะพูดเบ่งไใ้มากว่ารับใช้สังคมน่ยคือว่าบริการสังคมให้มีสังคมมีความรู้สึกว่าเป็นสมบัติ ที่ต้องใช้ร่วมกันได้ีคือชาวบ้านก็มีส่วนร่วมในระดับหนึ่งนะฮะไม่ใช่ว่าบุกรุกที่วัดหรือไป น, นอนที่วัดหรือไปค้าขายที่วัดหรือขยะไปเทในวัดนะบางทีก็ใช้สิทธิที่มากไปหน่อยมันก็เป็นปัญหาในศาสนาทีนี้ศาสนพิธีเนี่ยแน่นอนปฏิรูปได้นะครับเปลี่ยนได้แต่ว่าก็มีอยู่สองระดับศาสนาที่พิธีที่เป็นพิธีกรรม ซึ่งชาวบ้านได้สร้างขึ้นได้คิดขึ้นได้ทำขึ้นตรงนี้ที่จริงไม่ลงตัวหรอกฮะในปัจจุบันเนี่ยก็พยายามไปจะลอกเลียนตำนักราชวังกับกรมการศาสนาอยู่แต่ถ้าเราไปศึกษารายละเอียดในต่างจังหวัดมันก็ไม่ลงกันแต่เราก็ไม่มีใครผิดใครถูกคือถูกทั้งนั้นฮนะมันไม่ใช่เนื้อหาสาระแก่นสารแต่กระบวนการฮะกระบวนการที่เป็นวินัยกรรมมันเป็นพิธีกรรมแต่มีรูปวินัยกรรมไปรูปของศาลกรรมหรือพระเจ้าทรงวางไว้ยังไงคืออย่างนั้น จะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยกตัวอย่างเนี่ย เ, เวลาเนี้ยมีกระแสสังคมที่ค่อนข้างมาแรงเรียกร้องสิทธิสตรีเสมอภาคกับบุรุษในทุกๆด้านนะ่ะมันเสมอภาคไม่ได้อยู่โดยธรรมชาติอย่าดิอย่าพูดทุกๆด้านเดี็ดเอาเฉพาะบางด้านก็พอแล้วนะ่ะทุกๆด้านมันเหมือนกันได้ยังไงผู้หญิงเหมือนเสมอกับผู้ชายก็ไปได้ผู้ชายเสมอกับผู้หญิงก็ไม่ได้มันไม่มีใครเสมอกใครหรอกมันเป็นผลของธรรมชาติบางทีเราก็เรียกร้องเกินเหตุเกินผลไป ก็เอาเียว่าไอ้สิทธิเสรีภาพบางระดับเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ไปเสี่ยงจะมสมมติว่าทรงผู้หญิงไปรถในแนวหน้าอย่างนี้มันเสี่ยงเกินไปมันอนันตรายเกินไปเพราะเวลามองประเทศชาติจริงๆเนี่ยเขามองเหมือนครอบครัวนะมองเป็นครอบครัวนะว่าลูกหลานคนไหนควรจะอยู่ตรงไหนดีจะมันจะปลอดภยัยมันจะเหมาะสมกับสถานะของเขาเพราะในการเรียกร้องเส ม, มอภาคให้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้แล้ว เราเห็นว่าก็จริงเราก็เรียกที่มันสูงสูงเรกที่ต่ำต่ก็ไม่ยอมเรียกนะแต่นั้นเอาเฉพาะที่มันมันมีเหตุมีผลคืออย่าพูดแต่มันแรงไปจนถึงก็เสมอภาคในทุกด้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แร้วเอาในกรณีที่เป็นศาสนาเนี่ยมีการเรียกร้องให้มีพิสุณีขึ้นแล้วก็ด่าว่าโจมตีสถาบันสง์มาตั้งแต่สมัยนมดินครึ่งมาแนละ้วว่าพระสงฆ์ขับแคบกีดกันทางเพศกดขี่ทางเพ ศ, เพ ศ, เพศอะไรสารพัด ไอ้นี้คือาศาสนาพิธีที่เป็นพระพุทธานุญาตฐฐเห็นไหมตรงนี้ปฏิรูปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ตรงตามพระวินยัยหลักการสาคัญของพระวินัยเนี่ยหนึ่งจะไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้สองจะไม่เพิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรงบัญญัติไว้แล้วสามจะต้องศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสรบัติสงบัญญัติไว้เท่านั้น และที่เป็นคุณเป็นโทษเนี่ยเอาเฉพาะที่พระเจ้าทรงบัญญัติถ้าในเรื่องอื่นนะไม่เรื่ออืนมันต้องอาศัยอำนาจกฎหมายบ้านเรือแต่ถ้าจะให้เป็นอาบัติก็อาบัติที่พระเจ้าทรงวางว่ามันเป็นอาบัติก็เป็นอาบัติตามที่ทรงวางไม่เป็นก็ไม่เป็นที่นี้การบวชภิกษุณีเนี่ยมันบวชโ ด, ดยอุปโตสุ์คือภิกษุณีสงฆ์เนี่ยก็ต้องผ่านกระ บ, บวนการของธันมาก่อนซึาที่จริงแล้วค่อนข้างยาวกว่าที่เราบวชพระกัน แล้วเมื่อเสร็จในฝ่ายพิสูจน์แล้วก็มาบวชกับพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ทำหน้าที่รับรองแต่นั่นเองคล้ายๆกับสแตมซาให้เท่านั้นเองมันไม่ใช่ไปยุ่งเกี่ยวในพิธีกรรมในการบวชไปการสักคาสอะไรแต่ไหนไปสักก็ไม่ได้ไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ทีนี้กระบวนการตรงเนี้ยมันขาดไปสักอย่างแล้วก็ถือว่าเป็นโมฆะเห็นไหมอย่างสสสวที่มีปัญหาเนี่ยมันมีบกพร่องไปอย่างที่สสวถูกเปิดถอนไปตั้งสิบท่านเนี่ย มันก็พูดว่ามีทุตจดิตมีการหาเสียง ม, มีอะไรแต่ไรคือจริงไม่จริงนั่นอีกเรื่องหนึ่ ง, งนะฮะแต่หมายความว่ามันผิดเงื่อนไขในการสมัครเป็นสวในสุดก็เพื่อการสิทธิแล้วก็มีเพียงอย่างเดียวอ๋อซ บ, บางท่านมีปัญหาเรื่องใช้สุดที่ปลอมก็แสดงว่าไอ้ที่ถูกถูกเนี่ยมันกลายเป็นผิดตามไปด้วยคือเป็นการทําลายสิทธิ์ของท่าน ดังนั้นประเด็นตรงนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่เราคิดจะปฏิรูปนะทิ่เจ้พระบวชภิกษุณีพระก็ไม่ยอมบวชให้สหมมติว่าพระไหนหเกิดเพียนเพียนขึ้นมาจะบวชให้นผู้หญิงคนเนี้ยจะไม่เป็นภิกษุณีโดยชอบด้วยพระวินัยเพราะเธอผิดเงื่อนไขของพระวินัยระพผิดเงื่อนไขของพระวินัยเธอก็ไม่เป็นสมณีโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย เมื่อเธอไม่เป็นธรรมณีก็เป็นการลวงโลกเป็นกรริบัตรลวงโลกประสบบาปรกรรมอีกเป็นอันเองนะนันไอ้เนี่ยคือปฏิรูปไม่ได้นะฮะมันเป็นเรื่องอนุรักษ์าศาสนพิธีบางอย่างนี่เธอต้องอนุรักษ์เท่านั้นเธอไปปฏิรูปอะไรก็ไม่ได้หรอกแต่รูปแบบพิธีกรรมต่างๆจะไหวพระสวดมนต์จะตั้งน้ำโม ก, ก่อนจะระหังก่อนอะไรแต่ไรเนี่ยว่าไปเธอเขาไม่ได้ว่าอะไร เรสามารถปรับเปลี่ยนได้เหมาะควรแก่กรณีได้เพราะเป็นเรื่องที่เราตั้งขึ้นมาเองแต่ที่พระเจ้าตั้งแล้วไปปฏิรูปท่านไม่ได้เพราะพอมาถึงศิล ป, ปะมันก็มีลักษณะอย่างนั้นศิล ป, ปะของยุคเราเ อ, อสมมติว่ายุคนี้ยยุคศตวรรษที่ยี่สิบทลเนี่ยเราก็ถือว่าสองพันห้ารสิบี่ศตวรรษที่ยี่สิบหกไหมไม่ต้องไปนับศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดตามควมคิดก็หรอก เราเกิดมาก่อนคริสเนี่ยฮะแล้วเราศตวรรษที่ยี่สิบหกพุทธศตวรรษที่ยี่สิบหกเราจะสร้างศิลปะยุคใหม่ขึ้นมาก็สร้างฮะแต่ของเก่านี่คุณไปปฏิรูปไม่ได้มันเป็นเรื่องอนุรักษ์อย่างที่ท่านทำเน่ยสวยไม่สวยงามไม่งามไม่รู้วะมันเป็นยุคสมัยของท่า น, านแม้ทําเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่ต้องอนุรักษ์ สืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีบแบบแผนต่างๆนะถ้าวันไหนสังคมว่าเห็นว่ามันไม่ได้ประโยชน์ก็เลิกก็คือเรื่องของเขาไปออกกฎหมายบังคับไม่ได้มันไปข้ารล่วงสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตราที่สามสิบแปดของเขาวันเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่รัฐธรรมนูญคือกรรมการปฏิรูปการศึกษาเนี่ย แต่มาเองไม่ค่อยโทษเท่าไหร่อ่ะนะคือยังนึกและยังคุยกันนะว่าตลอดเวลาในคุณคิดตามกรอบของการไปรูปการศาึกษาใช่ไหมแกบอกก็ใช่นะแล้วเราเห็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างโครงสร้างการจัดองค์กรเนี่ยคือจำแนกจำแน่กเป็นรายละเอียดต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันเป็นล้อแต่ล้อการไปรูปการศึกษาล้อมันเรื่อยเลยนะฮะโครงสร้างเนี่ย เรื่องงานงต่างๆี้รอปรับเปลี่ยนข้อความเล็กๆน้อยๆเสร็จแล้วพอมาถึงาศาสนาก็ไปเกาะติดอยู่ที่มาตราที่สามสิบแปดกับมาตราที่เจ็ดสิบสามเองรัฐธรรมนูญการปกครองก็เอ า, าศาสนาพูดไปคุกอยู่กับาศาสนาอื่นทั้งหมดเลยซึ่งแน่นอนในแง่ของรัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาในแง่ของสังคมไม่มีปัญหาแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าร่วม หลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์โดยชาติบ้านเมืองนะ่ะทํากันได้นะเราก็เป็นคนไทยด้วยกันเป็นประสบนิก่ด้วยกันอยู่ในประเทศเดียวกันแต่ว่าจะเอาหลักของาศาสนามาหลอมรวมอย่างที่คิดซึ่งค่อนข้างจะฟุ้งซ่านนะนะใครคิดในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะฟุง้งซ่านมันทําไม่ได้เพราะในสุดมันาศาสนาทั้งหลายได้ถูกทําลายหมด แล้วก็เหลือแต่คำว่าศีลธรรมจริยธรรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งก็หมายถึงอะไรก็ไม่รู้คือที่จริงคนที่จะมาทาเรื่องศาสนานะ่มันจะต้องผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้เป็นปริยัติปฏิบัติจนสมบัติปฏิเวทบางระดับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้เข้าถึงสมาธิให้จิตได้ผ่านสมาธิ เพราะปัญญามันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะรู้เห็นว่าไอ้จริงๆที่พูดเนี่ยมันพูดไปอย่างนั้นเองเราไม่เข้าใจกระบวนการในการศึกษาโด้วยซ้ำไปที่พูดกันเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าจยๆๆๆๆเนี่ยเพราะการศึกษาอย่างที่เราศึกษาเนี่ศึกษาคนยิ่งโลกศึกษาอะไรยิ่งเห็นเก่ตัวไม่ได้เห็นไก่ศาสตร์บรนเมืองมีความชํานึกชาติตา่างยิ่งความรู้สูงๆแล้วก็ มีความคิดอะไรล่ะเมื่อสามสิบกว่าปีที่แ ล, ล้วคิดว่าเราเรียนเก่งมีความรู้สูงเงินเดือนต้องมากแล้วก็รวยเร็วเห็นไหมฮะโลภจัดแล้วเห็นแก็บตัวไม่อื้อเฟื่อต่อประเทศชาติและสังคมเป็นผิดผลของการศึกษาที่ล้มเหลวไร้สาระ เพราะการศึกษานั่นจะต้องเอื้อต่อสังคมจะต้องรักสังคมมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันหรือปัญญาเพิ่มขึ้นจิตใจบริสุทธิ์สะอาดขึ้นมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมสูงขึ้นถ้าเราเทียบดูง่ายๆเนี่ยผลจากการศึกษาเช่นสมมติเราศึกษาโทษของบุรี จนเราเห็นโทษกบฏชัดเจนเรเลิกสูบบุหรี่ปัญหาเรามองคนสุบบุรี่ยังไงถ้าเรามองเขาด้วยการดูห ม, มิน่นรังเกียจเหยียดหยามเกลียดชังก็ผิดเกิดแสดงไม่ใจคุณไม่สะาแต่ถ้าเรามองเขาด้วยความเมตตากรุณาสงสารเขาที่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดนะมีโอกาสพูดคุยกันนะแสดงความคิดความเห็นกันโน้มน้าวให้เขาเห็นตามคล้อยตาม ดีจะงดเว้นเลิกละการสูบบุหรี่แต่เขาเลิกได้เราก็มุติตากับเขาที่เราพูดเนี่ยประหลาสงสารเขาแต่เขาเลิกได้เราก็มุติตากับเขาบางคนพูดแล้วเขาไม่ยอมเลิกเราก็ต้องทําใจนะฮะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมแต่แม่จิตมันปรับเปลี่ยนไปตามหลักของโพรมิหารทั้งสี่ประการมันมีลักษณะเอื้อต่อสังคม แต่การศึกษาที่คุณปฏิรูปไปไปฏิรูปมาลองสังเกตนะมันมีความเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวบางคนกินเงินเดือนสองแห่งเอาเงินเอางานที่ไหนมาเวลาที่ไหนมันทางานไห้เขากินเงินเดือนสองแห่งก็ได้แต่ว่าทําเต็มเวลาทั้งสองแห่งแล้วคุณเ อ, เอาเวลาที่ไหนมาทําแล้วบางครั้งบางคราวก็ไปคิดเวียเลี้ยงสารพัดเบเลีย้ยง ทรัพย์สินของแผ่นดินเนี่ยสูญเสียไปเพราะความฉลาดที่ขาดคุณธรรมของคนเป็นอันมากเลยคนอาศัยแผ่นดินเกิดแต่ไม่สำนึกคุณของแผ่นดินแต่ที่จะชดใช้อะไรให้แกแผ่นดินก็พยายามตักตวงกอบโกยผลประโยชน์จากชาติปันเมือแล้วก็ผิดผลต่างๆที่เราเห็นเนชะ่นปิดถน น, นปิดอ่าวปิดอันตรายต่างๆเนี่ยมันคือผิดผลจากการศึกษาจี่ ก้าวหน้าแต่ไม่พัฒนาไม่ได้ยึดอยู่ตามหลักที่พระพุทธศาสนาสั่งสอนพระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้ของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องออกมาในรูปเมตตากรุณาต่อคนที่ยังไม่ได้ไม่มีไม่เป็นดูตัวอย่างง่ายๆเนี่ยดูตัวอย่างง่ายสมมติว่าเรานั่งเรือไปด้วยกันแล้วเรเือมันล่มเราว่ายน้ําขึ้นฝั่ง ก็แน่ใจเราขึ้นฝั่งได้แต่หันไปดูมีผู้หญิงมีเด็กมีคนเจราก็กลังจะจุบน้าก็ลังจะจมใจคอยจะขึ้นฝั่งคนเดียวเลวยจะไม่ย้อนกลับเขไปช่วยเขน่อยเหรอแน่นอนเราช่วยหมดทุกคนไม่ได้หรอกแต่เราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้โดยเราเองก็ช่วยเราเองก็รอดแต่เขาก็รอดบางคนนะฮะนั่นคือแสดงถึงผ่านการศึกษาแล้ว การศึกษาสําคัญอย่างยิ่งคือปฏิกริยาต่อสังคมมองย้อนกลับไปมันหมุนกลับไปหาสังคมในสุดมันก็ตอบประคุณมองสังคมยังไงถ้าคุณมองสังคมโดยขาดความเอื้อเฟื้อต่อสังคมขาดความมีน้ำใจต่อสังคมเราพูดพูดพูดเยอะเลยนะแต่ผลท้ายเราก็ไม่ช่วยอะไรจะต้องจ่ายท่านั้นท่านี้ทํางงอย่างนั้นอย่างงี้ผลท้ายไม่มีใครคักกระเป๋าเลยแล้วก็ บุยใบายมาให้คนนั้นคนนี้ทําปัญหาที่เราเดินไม่ได้เนี่ยมันเป็นผลผลิดผลจากการแต่การศึกษาแล้วอย่าไปโทษพาะนะอย่าลืมว่าพระมีโอกาสพบกับชาวบ้านนี่น้อยมากมีโอกาสจะพูดจะแสดงอะไรแต่อไรก็หน่อยเดี๋ยวนี้พระที่โดนขวัขวายมาทํางานออกมาทางโทรทัศน์ต้ออย่าลืมมหาเราต้องจ่ายนะต้องมีค่าใชา้จ่ายโทรทัศน์อย่างนี่รายการนี้เราก็มีค่าใช้จ่าย มันก่อนมีโยมคนหนึ่งรู้ว่ามีค่ า, ชาใช้จ่ายก็ส่งเงินมาร่วมช่วยเหลือค่ า, ชาใช้จ่ายก็อขอมรนาแต่ว่าเรื่องเนเรื่องเนี่ยคือเราก็ไม่อยากจะไปรบ ก, กวนชาวบ้านอะไรพอเราทำไปได้เราก็ทาไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมว่าเราต้องทำงานด้วยความเสียสละเราไม่ได้ทำงานกินเงินเดือนนะแต่ว่าเป็นการพิสูจน์ว่า ระบบการศึกษานี่สามารถที่จะลดความเบี่ยงเบนตัวได้สามารถจใจคนเอื้อเฟื้อต่อสังคมได้แต่เมื่อทําแล้วศากจากการศึกษาไปแล้วคนยังมีความเบี่ยงเตัวมากอยู่มันเป็นปนัญหาที่จะต้องศึกษาพิจารณาทบทวนไปปฏิรูปการศึกษาให้ดีเถอะอย่ามารุ่งยุ่งกับศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมของเขาเลยเพราะนั้นก็คือิผลที่เกิดขึ้นมาจากจิตวิญญาณที่หลอ่ลอหลอมาจาก ศธรรมในทางศาสนาช่วยกันรักช่วยกันสืบสารช่วยกันศึกษาประพฤติปฏิบัติเแล้วก็จะช่วยให้การศึกษานั้นมีความเปลี่ยนแปลงในทางาสาร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นต้องฟังทั้งหลายใต้ ร, ร่มพรปฏิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุกกันสวัสดี